ตักวันนี้งานที่หลวงพ่อพยายามทํานะคือถ่ายทอดธรรมะไปเผยแผ่พวกเราก็เข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นะชีวิตเรามีความสุขมีที่พึ่งที่อาศัยเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราเกิดมาทําไมไม่ใช่เกิดมาส่งเดชไปงั้นเองเกิดมาเพาะฟลุกๆนะถ้าเราทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองเราเกิดมาเพื่อยกระดับจิตวิญ ญ, ญาณของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ เรื่องอะไรต้องจบในความทุกข์ตลอดกาลเราเป็นรู้สิทธิ์พุทธเจ้ารู้วิธีปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ขั้นสูงสุดก่อนจะดับสนิทแห่งทุกข์ก็พ้นทุกข์ก่อนตรงที่จิตพ้นทุกข์เนี่ยคือจิตมันพ้นกิเลสความทุกข์ก็ยังมีอยู่คือขันมันยังมีอยู่จิตมันพ้นจากขันเป็นนิพพาน เ, นเรียกว่าสอุปาทิเศสนิพานนิพานที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่คือมีขันเหลืออยู่ อีกอันหนึ่งก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์คือความดับสนิทแห่งขันเรียอนุปัฏฐิเสสนิพานนิพานที่ไม่เหลือขันอยู่นั้นมีสองอันตรงเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะเข้าถึงนิพานตัวแรกได้ลแล้วใจไม่ทุกข์แล้แต่ว่าขันมันทุกข์อยู่มีขันเนี่ยพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะกันนะลงมือปฏิบัติกันบางคนฟังมาตั้งหลายปีนะี เราก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่ดีขึ้นเพิ่งมาสารภาพเพิ่งภาวนานได้สองเดือนฟังมานานฟังมาห้าปีเจ็ดปีดูหน้าเธอหน้าเธอไม่น่าจะฟังแค่เจปีนปนะหน้าเธอประเภทเปิดทิ้งไว้มากกว่ากลนะัวผีก็เปิดเสียงหลวงพ่อกันไว้ <laughs> ไม่ได้สนใจปฏิบัตินะ สนใจจริงๆในเวลาไม่กี่เดืนอนหรอกเดืนอน2เดือน3เดือนชีวิตมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนเอย่างเดียวนะชีวิตก็เปลี่ยนพอจิตใจของเราเปลี่ยนไปมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นเราก็ประบัติปฏิบัติถูกมากขึ้นดํารงชีวิตถูกต้องมากขึ้นก็มีความสุขเยอะขึ้นค่อยๆฝึกไปนี่เวลาไปเทศคนเนี้มันบอกเนี่ยได้ฟังซีดีหลวงพ่อได้ดู เว็บไซต์ของหลวงพ่อดูยู u ูปของหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อทำไม่เป็นซักอย่างเว็บไซต์พวกเราก็ทํา youtube พวกเราก็ทําในลาเปเทศนะพวกเราก็ตามไปถ่ายรูปหลวงพ่อทําไม่เป็นซักอย่างพวกที่ไปทํางานกับหลวงพ่อเนี่ยต่างคนต่างไปไม่ได้ไปกับหลวงพ่อด้วยนะค่ารถก็หาเ อ, าเองไปต่างจังหวัดนะที่พักก็ออกกันเองไม่มีตังค์เคยบอกว่า จะออกเงินให้หมูลนิี่ออกเงินให้ไม่มีใครเอาเขาบอกว่ารับเงินแล้วก็เขาไม่ได้บุญแล้วเงินหาง่ายบุญหายากเขาฉลาดนะเงินไปห า, าที่อื่นได้เงินพวกที่ช่วยกันทำงานเนี่ยทำฟรีบางคนก็ไปสอนสอนสอนที่โน้นที่นี้ช่วยกัน มีบางคนเหมือนกันหลวงพ่อไม่ไม่คุนเท่าไหร่นะมาเรียนนิดๆหน่อยๆออกฟึกสอนก็มีนะอันนั้นน่าหนักใจมากเลยเราไม่รู้ไปสอนอะไร <c oughs> บางคนก็ไปสอนสอนเก่งๆก็มีหลายคนนี่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปใช้ชื่อว่าปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อประมุ่เลยจริงๆแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยไม่มีใครเหมือนใครหรอกแต่และคนเรียนจากหลวงพ่อได้คนละส่วน ไม่ได้รู้ทั่วถึงที่หลวงพ่อสอนหรอก น, นี่จะบอกว่าแนวทางหลวงพ่อปรากฏว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคนรุ่นต่อไปเบียนหัวว่าอันไหนคือแนวทางหลวงพ่อประมด ท, ที่แท้จริงพวกเรารู้ด้วยตัวเองว่าแนวทางหลวงพ่อเป็นไงแต่เสร็จแล้วเวลาเราจะไปพูดต่อมันจะเจือสไตล์ของเราลงไปด้วยเองฉะนั้นจะแนวทางเนี่ยของใครของมันสังเจนไหมหลวงพ่อไม่เคยสอนพวกเราว่า ให้ทำอะไรเหมือนๆกันสอนหลักให้แล้วพวกเราไปลงมือทำหาวิธีที่เหมาะกับตัวของเราเองเรามีวิธีที่เหมาะกับตัวเราเองในจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นรู้นะว่าหลวงพ่อพูดความจริงให้ไม่ได้หลอกเลยที่สอนให้เนี่ยเรื่องจริงๆทั้งนั้นเลยเมืเรารู้ด้วยตัวเองได้บางคนก็สงสารคนอื่นไปบอกต่อตอนบอกต่อเนี่ยยังไงก็เจือสไตล์ของตัวเองเพราะอะไรเพราะรู้ด้านเดียว งั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้เลยคํำนี้ว่าแนวทางหลวงพ่อประโมทนะใช้แค่ว่าครูฤิษ์หลวงพ่อประโมทอย่างนี้ยังค่อยชั่วนหน่อยอย่างนี้เป็นแฟกคนบอกว่าไม่จริงไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าแนวทางหลวงพ่อประโมทเนี่ยไม่ใช่แฟกแล้วเพราะว่าจริงๆไม่รู้แนวทางหลวงพ่อหรอกรู้ไม่ถึงหรอกมันทางใครทางมันามารู้ทางกันได้ไงไม่ใช่มวยนะได้รู้ทางมวยกัน แต่มวยแต่ละค่ายสังเกตไหมมันก็โชกไม่เหมือนกันเห็นไหมบางค่ายมันเตะเก่งบางค่ายมันศอกเก่งบางค่ายเล่นจลสเข้ฟาดหางอะไรเงี้ยบางค่ายโกงเก่งอะไรเงี้ยแต่ละค่ายไม่เหมือนกันสไตล์ใครสไตลมันนะกรรมฐานก็เหมือนกันทางใครทางมันหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆว่าทางใครทางมันมันมีทางเฉพาะตัวแต่หลักนั้นถูกต้องอันเดียวกัน หลักถ้าถูกแล้วมีอันเดียวนะไม่มีสองอันก็คือหลักที่พุทธเจ้าสอนส่วนอารมณ์กรรมฐานเราจะใช้อารมณ์อะไรเนี่ยแล้วแต่จริตนิสัยของเราแล้วบางคนถ้าใช้อารมณ์อย่างนี้ต้องทําสมาธิก่อนเรียกใช้สมาธินําปัญญาใช้อารมณ์กรรมฐานอีกอย่างหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิอารมณ์กรรมฐานบางอย่างใช้สมาธิกับปัญญาควบกันได้เข้าฌานแล้วเดินปัญญาในฌานเนี่ย นะทําได้หลายแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายพ้นกิเลสไปด้วยกันพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะเหมือนอย่างสาวกของพรุทธเจ้าเหรอแต่เก่งไหมเก่งไม่เหมือนกันท่านถึงมีเอตะทะคะคนนี้เก่งทางนี้คนนี้เก่งทางนี้ไม่เห็นมีองค์ไหนเลยบอกว่าเนี่ยสอนเหมือนพุทธเจ้าสอนไม่มีเพราะอะไรเป็นไปไม่ได้ทางใครทางมันนะอย่างพวกเราถ้าวันหนึ่งภาวนาจิตใจเราเข้าถึงความสะอาดหมดจดมากพอเรามีลุกสิลูกหานะ รูกศิษ์เราแต่และคนก็สอนไม่เหมือนเราหรอกใน ม, มีสไตล์ของตัวอเองอ้าวใครจะส่งกันบ้านนค่ะน้อมาซาการค่ะก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าเห็นตัวโกดบ่อยขึ้นค่ะแต่ว่าทำในรูปแบบยังยังไม่ต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่จะเห็นใน <c oughs> ชีวิตประจาวันมากกว่าค่ะเพราะว่าขี้โมโหงบ่อยเรก็เห็นบ่อยขึ้นอีกเออนะก็ไปหารูปแบบทาบ้างนะ ไม่ทำเลยนานๆไปไม่มีแรงแล้ว<ะ>กรรมฐานนี่ถึงไงก็ทิ้งวิหารธรรมไม่ได้ถ้าทิ้งได้พระพุทธเจ้าไม่สอนแล้วเวลาเราจะเจริญสติจเจริญปัญญาเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่อความมีสติเพื่อความมีปัญญามีสองระดับแต่ไม่ว่าจะเริ่มไปเพื่อสติหรือปัญญานะก็เริ่มจากวิหารธรรมทั้งหมดเลยเริ่มจากตายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมมีความเพียรแผดเผากิเลส มีความรู้สึกตัวมีสตินะแล้วก็ถอดถอนความยินดียินไยในโลกใ น, ในรูปนามเนะี่ยทางเดินหลักที่พระเจ้าสอนก็เป็นอย่างนี้งั้นเราจะทิ้งวิหารธรรมไม่ได้แต่ละคนต้องมีจะเอากายเป็นวิหารธรรมก็ได้เอาเวทนาก็ได้เอาจิตก็ได้ทรมานุ ป, ปัสสนาก็ใช้ได้แต่ยากแต่ถ้าเริ่มต้นเอาง่ายๆกายเวทนาจิตง่ายกว่า แต่สุดท้ายไม่ได้เข้าไปธรรมานุปัสสนาทุกคนแหะโดยเฉพาะตอนที่ภาวนาจะถึงขั้นแตกหักเนี่ยยังไงก็เข้าไปธรรมานุปัสสนาคือไปแจ้งอริยสัจอริยสัจบทสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาไปหาเครื่องอยู่เขาเ<ะ>นือค่ะนมัสการหลวงพ่อครับก็เปลือกลดลงครับผมแล้วก็รู้สึกศีลดี ข, ขึ้นครับหลวงพ่อดีดีแคะศีล้วทาให้มีโพกซั์นะ สีเลนะโภก็สัมปทาศีนั้ทาให้มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติสุดท้ายก็ศีลพาไปนิพพานนิพุตติยันติเวลาเรามีศีนเราไม่ต้องเาเงินไปแจกคนเราก็รวยสิเนาะเออเราก็มีศีนพี่อ่ายังไม่เป็นกลางครับหลวงพ่อครับอ่ายังไม่ถึงฐานครับหลวงพ่อครับ ไม่ถึงบ้างก็ไม่เป็นไรถึงบ้างไม่ถึงบ้างถึงก็รู้ไม่ถึงก็รู้ใช้ได้ถึงตลอดเวลาคือพวกเพ่งนะเพราะฉั้นไม่ต้องถึงตลอดเวลาถ้าถึงตลอดเวลาผิดแล้วล่ะโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราจิตน้องใส่ไปใส่มาบ้างมาถึงตลอดไม่ได้นะเรื่องที่ว่าถึงบ้างไม่ถึงบ้างถูกต้องแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะเสริมไหมครับผมไปฝึกต่อนะสีนดีขึ้นอย่างหนึ่งเนี่ยสบายขึ้นหลายอย่างแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นด้วย ต่อไปก็จะเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาคือถ้ามันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันไม่ยอมดูใจรักแล้วก็น้อมใจไปพิจารณาอย่างจิดพิจารณ า, นะ า, า, ร, ณาร่างกายเราร่างกายแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แนะปลปลวนไปเรื่อยๆต่อไปก็จะยิ่งใหญ่กว่า น, นี้อีกอย่างนะี้คิดหนำแล้วต่อไปพอจิตมันเคยพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันจะค่อยไปดูของมันเองตัวนั้นมันจะเดินปัญญาของมันเอง นี่เป็นวิธีกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาหรือบางทีไม่รู้จะภานางไงนั้นก็สังเกตสอนตัวเองไปเห็นไหมจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกขจิตนี้เดี๋ยวก็เฉยเฉยสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกขก็ไม่เที่ยงเฉยไม่เที่ยง ค, ค่อยๆสอนค่อยพามันดูไปเลยได้นีหน่อยมันดูได้เองตรงนั้นแหละมันเดินปัญญานะกาบนรสการหลวงพ่อค่ะพอดีช่วงนี้เหมือนอติดรักตัวเองแล้วก็ เวลามีใจมากระทบกค่ะทุกท่านดีแล้วอย่าทําชั่วนะะครับตัวเองแล้วก็ยึดยึดยึดความคิดนะคะแล้วก็อย่างนี้เรียกว่าไม่รักตัวเองแลเรายึดความคิดนั้นมันจะไม่สวยไม่งามจะดูน่าเกลียดนะคนที่ยึดความคิดคนที่ฟังคนอื่นเลยเนี่ยคนชอบเรารู้จุดอ่อนแล้วล่ะถ้าเรารู้จุดอ่อนเราพัฒนาได้แล้วดีใจด้วยขอบคุณค่ะหลวงพ่อไปฟรี เวลามีคนมากระทบจะแบบรู้สึกบีบตัวเองโทสะมันขึ้นใช่ค่ะโทสะขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะอย่าไปบีบจิตให้รู้ว่าจิตมันโกรธแล้วแต่ว่าไม่ล้นออกไปทางมือทางเท้าทางปากทางใจเนี่ยโกรธขึ้นมาก็รู้มันเห็นบางทีโกรธแรงขึ้นหัวเลยที่โกรธน้อยๆปุดขึ้นมากลุ่นๆถ้ารู้ไปถ้เห็นทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับโกรธก็โกรธได้เองรู้สึกไหมมันโกรธเองใช่ค่ะ ใช่มันโกรธเองพวกโทสานี่เป็นพวกปัญญากล้าพวกปัญญากล้าเนี่ยธรรมะที่เหมาะคืออนัตตาเพราะฉะนั้นไปดูมันโกรธได้เองเนี่ยอย่างนี้มันถูกสิรินิสัยขอบคุณค่ะหลวงพ่อการบรณาการค่ะก็ก็ขยันมากขึ้นค่ะดีทำรูปแบบเช้าเย็นมากขึ้นทำยังไง เดินจมกรมสวดอิติปิโสค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่ทําภารกิจหรือหน้าที่ก็ถ้ามีเวลาก็จะสวดระหว่างวันไปด้วยค่ะสวดมนต์ก็กาไรแล้วล่ะก็ขยันมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นกายใจมันเปลี่ยนแปลงโอ้ชไดบ่อยๆใช้ได้แล้วดีมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งฟุ้งซ่านมโมหะตุกขาปรุง ด, ด้วยอย่างนั้นนะถูกแล้ว ไปดูต่อไปอกลับนะมาสการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อาวานนี้ตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็กดมากนะคะระหว่างวันก็ดีขึ้นนะคะเริ่มคลายขึ้นแล้วก็สิ่งทีเ่เห็นก็คือว่าก็มีมีเจตที่รู้ตื่นบ้างแล้วก็เห็นเจตที่หลงหรือว่ามันบางทีก็ดานบางทีก็สั้นนะนะคะแล้วก็ เวลาหลงเนี่ยจะไม่ชอบแล้วก็เวลาตื่นเนี่ยจะชอบ<ม>ค่ะแล้วก็บางครั้งก็กดไปกดบ้างนะคะ<ม>แล้วก็มันก็จะมีบางช่วงที่มันจะแบบซึมวืดลงอย่างเงี้ยค่ะซ<ม>ึมวืดลงแล้วก็พอรู้ตัวก็ขยับขยับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมันก็จะมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดสลับกันอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็มีเห็นกิเลสด้วยอยงเค่ะดีแล้วคน่ะ อันนี้เป็นวิธีการที่ปฏิบัติแบบนี้ไปไปได้ใช่ไหมคะหนูไม่ได้ไม่ได้สงบอย่างนี้มานานพอสมควรทีเดียวหนูจะคอยคอยดูร่างกายอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างนั้นยังดีเวลาที่เวลาดูเวทนาหรือว่าเห็นตัวเองนั่งอย่างนี้ค่ะมันมันมันโอเคไหมคะอย่างนี้ที่จริงการดูกระทั่งดูกายนะจิตยังออกนอกเลยถ้าจิตไหลไปที่กายเนี่ะหรือดูเวทนาจิตไหลไปที่เวทนา เวลากระทั่งดูกิเลสจิตไหลไปท mm no> ี่กิเลสก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยรู้ทันถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งค่ะมันมันก็จะมีบ้างเหมือนกันนะคะเห็นเหมือนกับร่างกายบางส่วนมันไม่ใช่เราหรือว่าเวทนาบางครั้งก็เหมือนเหมือนมันลอยๆอยูอยู่ไม่ได้เกี่ยวกันค่ะอันนั้นอย่างนี้โอเคใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะต้องฝึกในรูปแบบมากขึ้นเพราะว่าใจมันฟุ้งซ่านมากเวลาอยู่ข้างนอก ค่ะฟุ้งมากก็ทําสมถะ่ะก็อยู่กับเครื่องอยู่สักอย่างน้อมใจไปอยู่ในเครื่องอยู่อันใดอันหนึ่งแต่ปกติหนูจะดูกายเป็นหลักนะคะใช่กายก็ได้น้อมใจไปอยู่ที่กายค่ะแล้วก็หรือไม่ก็เวทนาอย่างนี้ค่ะการขยับมันจะช่วยได้เยอะถ้าจะฝึกต่อนะก็รู้ทันว่าจิตไหลไปที่กายจิตไหลไปที่เวทนาอ๋อให้เห็นตรงไหลไปใช่ไหมคะเวลาเห็นซึมนี่มันคืออะไรอะคะมันถูกครอบไปแล้ว ถูกโมหะครับใช่ค่ะแล้วแล้วเวลาที่พิธีที่จะจัดการคือเวลาซึมดูเขาไที่ตรงๆเลยดูว่าไปที่ซึมอ่ะค่ ะ, คะก็ปกติบางทีมันก็แป๊บหนึ่งมันก็จะหายไป อ, ยอะไระอย่าเงี้ยค่ะอค่ะไปทําต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับ ช, ช่วงนี้มันขุ่นมัวครับแล้วก็เศร้าหมองแล้วก็นั่งสมาธิมันไหลไหลไปตามความคิดกไปกลัวเศ้าหมองก็ไม่ใช่ของเราเนะ่ ดูไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเวลาใจมัวเนี่อย่าตกใจโลวงพก็เคยเป็นบวทภาษาที่หนึ่งภาษาที่สองอะไรยังมีมัวนะในภาษาที่สมเนี่ยมันมัวนิดๆใจยอมรับไม่ได้เลยสู้ต่อมาปัญญามันทันนะมัวกับสว่างมันอันเดียวกันนะมันเท่าๆกันแหละมันสว่างน้อยมันก็ดูมัวเพรรู้ทันตัวนี้นะมันหลอกเราไม่ได้แล้ว มัวขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเป็นกลางนสบายแนละ้วใจเป็นกลางสว่างทันทีเลยไม่ได้ไปตกใจเรื่องจิตมัวไปดูเอาอย่าไปกลัวหลวงพอมีคําแนะนําำนี่แนะแล้วแค่นี้ช่ไหมครับมัวรู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะง่ายไม่ยากไม่ยากับนมักสาการหลวงพอ่อ เขาทำว่าเขาอยากจะทราบว่าเข า, เอาตอนนี้หมาะ ก, กับเจเริญปัญญาไหมเขาควรทำยังไงจเจริญปัญญาครับก็รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเห็นว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนได้ทั้งวันเลยตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบมาลงความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วก็เห็นในความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไปดูตัวนี้เยอะ กราบ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบครึ่งปี ม, มันเห็นทุกข์เยอะขึ้นนะคะแต่มันก็ยังยังไป<ม>ทอแท้ใจยังไปเกลียดมันอทอแท้ใจรู้ว่าทอแท้เกลียดรู้ว่าเกลียดนะปัญหาไม่ใช่ไม่รู้สภาวะแล้วสภาวะรู้แต่ไม่เป็นกลางนี่ทําไงจะเป็นกลางทําไม่ได้ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางนะทุกข์จริงๆแล้วเป็นทรัพยากรสําคัญของการปฏิบัตินะ คนที่มีแต่ความสุขเนี่ยภาวนายากมันจะเพลอเพลินเรียกว่ามีนันทิราคะเพล่อเพลินคนที่มีความทุกข์มีปัญหามีอะไรมากมายแล้วรู้วิธีปฏิบัติเนี่ยพวกนี้ได้เปรียบนะเวลาที่ปัญหาหนักๆผ่านไปแต่ละคราวเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นทุกคราวแทบจะขอบคุณความทุกข์เลยนะเพราะนั่นี่ยไปกลัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วผ่านไปเราผ่านไปด้วยสติด้วยปัญญาเราก็ได้ความเติบโตขึ้นมา เราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคุ้มนะในการที่จะรู้ทุกข์น่ะมาศการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยบอกให้เอาสมาธิไปเจริญปัญญาค่ะแล้วก็ถ้ามันไม่ไม่เดินปัญญาให้ช่วยมันคิดค่ะอลองไปทําดูก็บางบางทีก็รู้สึกเห็นกายว่ามันไม่ใช่เราค่ะอย่างนั้นดีนะทาถูกแล้วละ่ะ ไม่งันจะรู้ตัวเฉยๆสว่างอยู่เฉยๆนะทำอย่างนั้นแหละทำอีกบางบางทีเห็นมันไม่ใช่เราจนรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันห้าวหาญมันรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไปเลยจนบางทีก็แต่มันจะมีบางช่วงที่แบบรู้สึกว่าพอมันไม่ใช่เราปุ๊บมันจะเกิดความเสียดายให้รู้ไปมันเสียดายนะให้รู้ทันความรู้สึกไปอยากจะขอการบ้านทำถูกแล้ว เวลาเราเดินปัญญานะี่พอเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราบางคนใจหายเลยบางคนอะไรอบอนเวงวางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยตัวเราหายไปแล้วให้รู้ทันความรู้สึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางขอบคุณค่ะก า, ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเเวลานั่งปฏิบัติแล้วเหนื่อยคะ่ะอืแล้วก็ฟุ้งมากกว่ามีสติที่เหนื่อยเพราะไปบังคับมากไป บังคับใจตัวเองมากมันจะเหนื่อยนะหรืออย่างเวลาเราหายใจนี่เราหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยหรอกแต่พอเรามาตั้งใจหายใจนะเหนื่อยเวลาเราเดินชอปปิ้งไม่เหนื่อยนะ <c oughs> เวลาเราเดินจงกรมมันตั้งใจนะมันเหนื่อยเพราะันเหนื่อยเนเพราะว่าเราจงใจมากไปต่อไป น, นี้ทำใจให้มันสบายก่อนพอนานไม่มีอะไรห <c oughs> รอกรู้รูปนามไปด้วยใจสบายๆนี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ใจที่ถูกดัดแปลงจนเคร่งเครียด สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ก็เห็นเลยสงบก็สงบของมันได้นะไม่เที่ยงอีกรู้สึกตัวก็รู้สึกของมันเองไม่เที่ยงอีกแหละเนี่ยเรียนรู้ความจริงไปอย่างนี้เรื่อยๆ <aş ağı. S 2> ไปฝึกไปค่ะหลวงพ่อต้องหรือต้องแบบมีอะไรขาดเกินไหมคะหลวงพ่อแนะนําด้วยกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่วิธีบังคับตัวเองค่ะไม่ใช่กรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองมิปัสนาเนี่้ไปทําต่อ ค่ะขอบคุณมากคันหลวงพ่ออย่าไปดิ้นรนเยอะนะอยู่กับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองไปนะไม่ต้องดิ้นรนไปเรียนที่โน่นที่นี้นะช่างฟุ้งซ่านไปอยู่กับตัวของเราเองเยอะที่สุดดีที่สุดมนมาส ก, การครับก็ตอนนี้เริ่มสามเดือนนะครับก็ทำปฏิบัติตลอดอสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมโอ้ดีนะครับแล้วก็ ตอนนี้มันเห็นว่ามันอึดอัดนะครับอยู่นั้เ น, นีเพราะต้องจงใจนะใช่ครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่มีความสุขแบบสุดๆหรือว่าจะเศร้าแบบสุดๆมันเหมือนมันมีเบรกถูกแล้วเราไม่ใช่พวกหลงโลกในโลกไม่มีความสุขหรอกะคนหลงแล้วเพราะว่าโลกมีความสุขได้นี่เราไม่ใช่คนหลงแล้วเราโลกมีพ่อมีแม่มีพุทธเจ้างั้นเราไม่หลงโลก โลกไม่ได้อะไรอร่อยอะไรนั่งหนาหรอกนะต่อไปยิ่งปัญญาเราแก่กล้าเรารู้โลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายนะเราเห็นโลกมีทุกข์มากแล้วใจใจมันคลายออจากโลกใจเราสัมผัสสันติสุขที่แท้จริงแลเราได้ของดีของวิเศษในขณะที่โลกนี้มีแต่ตัวทุกข์นั้นอย่าไปเสียดายมันค่อยๆดูไปความสุขตอนแรกๆหันใหม่ๆมีความสุขเยอะนะเพราะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมีความสุขทําไมรู้สึกตัวมีความสุข ตอนที่รู้สึกตัวจิตมันมีสมาธิขึ้นมาได้ความสุขแต่ตอนที่ขั้นเดินปัญญามันจะเห็นในโลกนี้ไม่มีสุขสุดๆไม่มีทุกขส์ ส, ขสุดๆไม่มีหรอกนะมีแต่ทุกอย่างชั่วคราวยิ่งเดินมากๆต่อไปจะเหลือแต่ถุกข์ล้นล้นเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะถ้าเห็นถึงตัวนี้นจะข้ามวัฏฏะแล้วครบพระคุณครับศีลศีลรักษาได้ดียังหอยั ง, อยงไม่ครบก็ให้มันได้นะครับถ้าศีลไม่พอเนี่ยจะก้าวไปยากครับ กรับมมัส ก, การนะคะหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านในรอบครึ่งปีได้นะคะืหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องติดเรื่องฟุ้งอะคะ่ะติดอะไรนะฟุ้งค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีแรงช่วงนี้ก็คื อ, อ, อปฏิบัติในรูปแบบไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะทำสม่ำเสมอ น, นะแรงม<ะ>ันจะเพิ่มถ้าไม่ทำมเหมือนไม่ได้ชาร์จแบตอนะแบต ก, ก็อ่อนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องแบบ ทุกมากนะคะแต่ทีเนี้ยหนูก็คิดว่าตัวหนูเนี่ยอทุก่มาอยู่กับตัวหนูดูดูดูดูมันไปสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหนู่ไปอยู่กับทุกเองหนูก็เลยคนละอันเดนนะทุกกับหนูเนี่ยคนละอันใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยสบายสบายกับมันแต่ก็ดูมันอยู่นะคะคือทุกมันก็ไม่ได้หายไปไหนเอทุกให้รู้ค่ะแต่ถ้าไปรู้แล้วใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะค่ะใจได้เป็นกลางรู้ทุกด้วยใจที่เป็นกลางนี่แหละ แล้วโน้ตมีอะไรต้องทําเพิ่มไหมคะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อว่าจะไม่ทุกข์นะ <c oughs> แต่ภาวนาจนกรทั่งเราอยู่กับทุกข์ได้สบายๆเลยเพราะเรารู้ว่าโลกนิ่งเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ปัญหาในชีวิตนี่ไม่เคยหมดหรอกเป็นทุกคนนะ <c oughs> จบเรื่องนี้ก็เจอเรื่องโน้นอะไรเงี้ยให้เรามีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราว่าเมื่อไหร่หมดปัญหาสบายใจแล้วค่อยภาวนาอันนั้นจะไม่ได้ภาวนาเลย <c oughs> ตอนนี้มีปัญหาอยู่ก็ดูของเราไปอย่างนี้เลย แล้วก็จะวันหนึ่งเราก็เติบโตนะเราก็ทนต่อความทุกข์ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอ๋อค่ะขอบคุณค่ะนำมัสการกับหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อไม่ไม่ไม่ได้ส่งกันบ้านมาสีห้าเดือนนะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าจิต ของตัวเองอยู่ข้างนอกในอดีออแล้วก็<ช>รู้ก็รู้ไม่จริงอ ะ, ะออลาดแล้วพอมาหลังๆก็เลยลองหลับตาแล้วภาวนาเมตตาเพิ่งก็เลยได้รู้ว่าจิตออกไปนอกตลอดเวลาเลยค่ะมาวันนี้คิดว่ารู้ตัวแล้วชัดเจนขึ้นออแล้ววันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเนื่องจากมีการเจ็บป่วยเรื่อยๆมีความรู้สึกเหมือนเวทนาเหมือนทุกข์ทุกข์กับหนู อ, อืมันคนละส่วนกัน แต่เราอย่าไปเขี่ยมเกลี่ยก่ามันมากนะบางทีพอนานดูเดือดไปแบบจะหักหักหานมากไปดูไปสบายๆดูไปอย่ามีความสุขนะถ้าไปบังคับกดขี่ตัวเองมากเดี๋ยวไม่สบายเหนื่อยดูไปสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆมีอาการหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อเวลามันมีโทสะนี่คือเหมือนระเบิดใดดาไม้เลยน ะ, ะใช่ใช่เพราะว่ามันกดไม่มากเครียดใช่ค่ะฝรั่งหรือคนไทยที่อยู่ร่วมกับเราเขา เขาเขาจะเอาเราไม่อยู่ในการประชุมเลยนะคะออแต่มันไม่ใช่เหตุผลนะเป็นไดนามายไปแล้วไม่มีเหตุผลแนละ้วไปฝึกนะชีวิตจะได้ดีขึ้นกับนมัสการค่ะปกติที่ใจสบายสบายจะสามารถมองบางครั้งจะรู้สึกว่า กายอีกอย่างหนึ่งจิตภาวนาเองเรือกคำภาวนาเองแล้วมีส่วนที่รู้อยู่ข้างบนทุกอย่างแยกกันหมดตรงนี้เราก็ไม่ไปจับมันไว้นะตัวบนนี้เราก็ไม่ไปจ้องใส่มันตัวนี้ห้ามเด็ดขาดเลยถ้าจ้องแล้วติดสมถะอีกแบบแก้ยากแก่เป็นปีเลยอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องตัวรู้ไว้แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่เห็นแต่ละตัวทางานของมันไปตัวรู้ก็ทาหน้าที่รู้ของมันไป แค่นี้ใช่ไหมคะคือแค่ดูตามเฉยๆคือการนะเริ่มเห็นขันมันแยกออกไปแล้วแต่ละขันมันก็ทำงานของมันไปนั่นแหละปัญญาขอบคุณค่ะกรามนรมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมีปัญหาเรื่องระบบหายใจเป็นหอบหืดภูมิแพ้แค่ะต้องแก้ไงคะบางทีภาวนาเราอึดอัดตรงเนี้ยจะขวะอ๋อหายใจไม่สะดวกเราบริกรรมเอาก็ได้ไม่ไม่ต้องไปใช้ลม ใช่พุโทโธพุธโทพธโธตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะวันนึงไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่สิริราชโลกสิิลลงปุณนะแล้วก็เดินไปเจอพระนอนอยู่องค์หนึ่งไม่มีห้องอยู่นะเขคล้ายๆเตียงมันย่อนอนอยู่บนทางเดินน่ะแต่อยู่บนรถเข็นเขาเรียกอะไรก็เตียงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องอยู่อยู่บนทางเดินก็เ ข, ข้าไปคุยกับท่าน บอกว่าหลวงพ่อผ่องใสจังเลยหลวงพ่อภาวนาอย่างไงท่านก็ถามแล้วคุณนภาวน า, างไง <c oughs> นักแหลงหน้าดูเลยบอกผมทําอานาปนาสติหลวงพ่อใช้กรรมฐานอะไร <c oughs> นี่นี่านาปนาสติดูไว้ตอนถูกเสียบจมูกเนี่ยจะทํายังไงผมพุดโธนี่ นะอุดจมูกผมหมดผลผมก็ยังพูดโธได้อุดจมูกคุณอ่ะคุณอานาคานสติไม่ได้ <c oughs> แม้มาบรับเหล่าซิอีกงั้นอานาคานสติไม่สะดวกนะหายใจไม่ออกนะพูทโธพุดโธไปสวดมนต์ไป <c oughs> หลวงพ่อเลยต้องฝึกหลายอย่างเลยได้ประเด็นนี้นะเล่นมันทุกอย่างเลยเนี่ยเกิดจะเป็นอะไรตายนะ้วจะเป็นอย่างนี้เอา้าทําอย่างนี้นะกลับมวันศการ์หลวงพ่อครับ เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่วัดแล้วก็เจอกับหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้เคยมาแล้วไม่เจอใครอยู่ที่วัดครับก็เลยมีโอกาสได้เข้ามากับพระพุทธรูปครับแล้วก็ได้ฟังเสีดีของหลวงพ่อเป็นเป็นประจําครับเมื่อก่อนยอมรับว่าเป็นประจําอำแล้วก็จะตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยแต่ส่วนมากมารู้ตัวเองว่าตัวเองน่าจะเป็นคนรู้ใจดูจิตได้ง่ายกว่าดูกายครับเอแล้วก็มี ช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับผมไปไปดื่มเหล้ามาแก้วหนึ่งครับ <laughs> ลตลอดตลอดชีวิตยี่สปีมาเพิ่งเคยดื่มเหล้าแก้วหนึ่งมันก็เลยรู้สึกตั้งแต่วันที่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับรู้สึกเศร้าหมองเอมต้องเศร้าหมองนะต้องรับวิบากช่วงหนึ่งดื่มแก้วเดียวหรอแก้วเดียวครับเทกี่ครั้ง ครั้งเดียวครับเออครั้งเดียวต้องถามให้ละเอียดนะคุยกับโยมยุ่งเนี่ยโยมเจ้าเล่ย์อมันเป็นอย่างนั้นแหละยิ่งเรารักษาสีลมาได้ยาวนะแล้วพอมันสะดุดนี่เรากวนนี้ดีฟอเลยรู้สึกว่ามันสะดุดแล้วข้างในมันรวนๆนครับมันเศร้านะมันเศร้าใจผมก็เลยไปถามกับพี่คนหนึ่งที่เขาแนะนำให้แนะนาให้ผมฟังซีดีของพ่อปาโมทนะครับ เขาก็แนะนํามาส่วนหนึ่งระดับหนึ่งผมวันนี้ผมนึกอะไรไม่ออกผมก็เลยมาที่นี่แล้วครับคือศีลเนี่ยนะผิดแล้วแล้วก่อนไปนะแค่ตั้งใจว่าไม่ทำํำอีกเพราะตอนที่กินเหล้านั้นเป็นอดีตไปแล้วไม่สามารถแก้ได้งั้นเรามาอยู่กับปัจจุบันใหม่อย่ามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปทําเอาใหม่แต่ที่เห็นคือมันมีข้างในบางตัวที่มันชอบพับหลวงพ่อมันเลยรนะมันชอบครับมันชอบชอบกินเหล้าเหรอมัน มันเหมือนมันติดใจมันเหมือนมันชอบในในเนวียนหรเปล่า <c oughs> <c oughs> จากจากที่ไม่เคยไม่เคยทานมาเลยครับหลังจากที่ที่ทานเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าจริงๆลึกๆข้างในเนี่ยผมเป็นคนติดใจเรื่องพวกนี้ครับออต้อง <c oughs> อดทนไว้ตั้งใจให้เด็ดขาดนะ <c oughs> ถ้าเรายอมมันนะต่อไปเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆพอยอมครั้งหนึ่งเนี่ยการยอมครั้งที่สองเนี่ยจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครับนะเพราะั้นต้องอดทนเนาะไม่ยอม อยา่างเราเราเคยทําชั่วอะไรนะ่ปีแรกทํายากนะต่อไปทําง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับผมก็บอ ก, กบเพื่อนว่านั้นบอกว่าแก้วแรกมีแก้วต่อไปก็น่าจะมีแล้วครับแก้วต่อไปเลยรนะแก้วต่อไปก็น่าจะมีแล้วครับหลวงพ่อน่าจะมีอีกเหรอใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตีตายเลยนะ <laughs> ที่ที่เส้าหมองยอมรับว่าพอผมไปเห็นว่าข้างในบางตัวมันชอบอยู่ครับแล้วก็มีบางตัวที่กําลังคันค้านกันอยู่เอ อ, อยพี่ยอมอย่างนี้ใจเราสู้กิเลสไม่ไหวนะเราก็ใช้วิธีศีล ตั้งใจรักษาศีลไว้เพราะว่าสมาธิปัญญาตอนนี้ยสู้มันไม่ไหวแล้วก็ใช้ศีลสู้คือไม่กิน่ะครับหลวงพ่อไปเทศที่พิศนโลกนะมีคนรู้จักกันคนหนึ่งเขามาถามหลวงพ่อวมากันหลายคนนะคนนี้ถามทำยังไงทําไงเราตอบชัวช่วชัวช่ชชมีอยู่คนนึงมาถามนะหลวงพ่อใบ้เลยธรรมะไม่โผล่ขึ้นมาให้รู้สักตัวเดียวเลยเฮ้ย <c oughs> คนนี้ประหลาดหลวงพ่อก็เลยถามเข้าไปว่าคุณกินเหล้าวะ ก็อตอบว่าไงไหรือไม่จะไม่กินตั้งแต่วันนี้แล้วครับเห็นไหมทํามะมันกลัวเหล้านะอมันหนีหมดเลยนะอยวไปกินมันตอนนี้ก็คือวิ่งเข้าสมถะก่อนใช่ไหมครับถือศีลตั้งใจรักษาศีลไว้ว่าเราจะไม่ยอมดั่งพร้อยอีกแล้วะแล้วไอ้เพื่อนที่ชวนกินเหล้าอะ่ะห่างๆมันไว้มันไม่ใช่กระยาณมิตรมันเขาเรียกว่าป่าปรมิตรนะ ถ้าเราควบคนอย่างไหนเราจะเป็นอย่างนั้นนะห่างๆไม่ได้ก็ดีขอบคุครับหรือไม่ก็ออบอกให้เขามาพอนากับเรานะ <Hello> จุกมาทางนี้นะเราถึงจะได้เป็นเพื่อนที่ดีของขก็ตอนแรกผมก็ตั้งใจไงล่ะครับคือเขาเป็นเพื่อนที่กินเหล้าเก่ง mm hmm. พูดจดาด่าเก่งว่า <Wow. S 2> แล้ว พ, พูดคำหยาบครับหลวงพ่อแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากที่จะดึงเขามามาปฏิบัติทางนี้ด้วยอยากที่จะเอาเวลาว่างๆมาหาหลวงพ่อด้วยเวีน เลยถูกก็ดึงไปเลยถูกเขดึงตอนไหนตั้งตั้งใจไม่ไหวก็ปล่อยไว้ก่อนมาฝึกของเราให้แข็งแรงก่อนครับเดินไปแก้วหนึ่งเศร้ามองนะครับผมครับผมเคยเห็นบางครั้งรู้สึกเหมือนแยกออกมาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรครับมันไม่มีชื่อแต่เห็นว่ามันวิ่งวุ่นอยู่ข้างในเห็นครับจนมาช่วงหลังๆช่วงหลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคร้บผมสับสนมันตีมือมันเถียงกันมันทะเลาะกันอยู่ข้างในนะครับ ให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่ากําลังฟงุ้งซ่านรู้อย่างนี้เลยนะว่ากําลังฟุ้งซ่านที่มันเถียงกันเนี่ยอย่าไปดูบันทีละตัวให้ดูภาพรวมเลยว่าตอนเนี้จิตกําลังฟงุ้งซ่านรูแค่นี้พอละล่ะ แ, แล้วตั้งใจว่าไม่เอาอีกถ้าดึงเข้ามาไม่ได้ก็อยาให้เขาดึงไปนะต่างคนคต่างอยู่ไว้ก่อนน้อยกินเล่าเขาเก่งแถมด่าเก่งสิ่งขอบคุณครับเอ้าคนสุดท้ายกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คราที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อบอกจิตไม่เข้าฐานแต่พอกลับไปแล้วมันยิ่งเป็นมากกว่าเดิมคือมันเลื่อยเฉยแล้วมันก็ไปเนียนๆกว่าจะลุยทิ้งนานเลยค่ะ โ, โดยธรรมชาตินะคนเราพออายุเยอะขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือสมองมันเริ่มเสื่อมเป็นธรรมชาติเป็นทุกคนอนะนะเป็นเรื่องปกติงั้นเราต้องเอาร่างกายมาช่วย นึกถึงร่างกายบ่อยๆกระตุกกระดิกไว้อย่านั่งนิ่งๆนะเคลื่อนไหวไว้หาพักไว้ชักอ น, นก็ได้นี่นนเป็นตัวอย่า ง, น, ง น, นั่งแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปแต่ไม่ใช่ทําจนเครียดนะ<ม>ให้ใจสบายๆใช่ไหมมันร้อน้วพักให้มันเย็นมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเคลื่อนไหวไว้เจ้าค่ะลูกติดเฉยหรือเปล่าคะหรือว่ามันโดยธรรมชาติเนี่ยอายุห้าสิบขึ้นนะ เป็นทุกคนเลยต้องเอาร่างกายมาช่วยคือมันดูอะไรไม่ได้เลยค่ะเออนั่นแหละมันเนียนแล้วมันก็เฉื่อยอมไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละเอาร่างกายมาช่วยคือต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่หยาบขึ้นอารมณ์ที่หยาบคือร่างกายเนี่ยหยาบเป็นของหยาบดูง่ายนะใจเนี่ยยังหนีไปเที่ยวได้แต่ร่างกายไปไหนไม่ค่อยจะไหวแล้วแก่เห็นไหมร่างกายมันอยู่นี่มรู้สึกมันรู้สึกมั น, กม น, นี่ยจับมันมาทํากรรมฐานเลยนะอย่าไปยอมให้มันเฉ่อยเนื่อยเนื่อยไปนะ เดี Hospital ๋ยวมันใจลอยไม่ดีหรอกเชื่อเถอะไม่ดีระคเอาร่างกายเป็นหลักไว้นะกระตุ้นมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกเอากลับบ้านไป